พอเราคิดถ in ึงอย่างนี้นะใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาอย่าไปสวดแบบเอาย่ะมากๆนะต้องสวดเรื่องสามสิบบทสมมตินี้นะเวลาก็มีจํากัดสวดเป็นลิงเลยยเร่งนะใจก็ร้อนอยากให้จบเร็วๆเมื่ไหร่จะจบเมไหร่จะจบน้องสมาธิจบเร็วๆอ่างนีก็อย่างงี้ไม่ได้ผลอะไรเลยนะส่วนไม่ต้องต้องเยอะนักหรอก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 รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อรู้สุขรู้ทุกกุศลอกุศลแล้วเนี่ยถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายต่อสุขทุกุศลอกุศลนั้นก็ให้รู้ทันนะเมื่อหูได้ยินเสียงจิตมีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตไปกุศลอกุศลให้รู้ทันนะเมื่อจิตยินดียินร้ายในสุขในทุกในกุศลอกุศลให้รู้ทันนะรู้เข้ามาอย่างนี้นะเมื่อใจมันคิดนะ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 แต่ต้องเกิดแบบเกิดปุ๊บรู้ปับ๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บนะถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อันนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะอันนั้นใครๆก็เป็นแลวโว้ยโกรธแทบตายเลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อวานมีเจอคนนี้โกรธแทบตายเลยอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะตามองเห็นรูปความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ไปดักเอาแล้วจะเห็นนะจ้องอยู่ที่จิตเอาแล้วตามองเห็นแนละจะดูซิมีอะไรเกิดไหมจะไม่มีอะไรเลย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 เพื่อนไหวไปก็ทำไปทางานไปจะกินข้าวอาบน้าจะขับถ่ายจริญสติได้หมดเลยเวลาถ่ายไม่ออกความรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมถ่ายได้ก้อนแรกดีใจไหมเนี่ยแต่ละก้อนยังไม่เท่ากันเลยความรู้สึกอะนะไปดูน ะ, ะไปกินข้าวข้าวแต่ละคําความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันไปดูไปนี่หมดเลยครับ